คุณเจ้าขเจริญพออาจารย์กำพลแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทุกท่านตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วนะอากาศก็ยังร้อนอยู่แล้วพวกเราก็ได้ฟังกันมาสามชั่วโมงติดต่อกันสองชั่วโมงครึ่งแล้วก็ซ้ำเนี่ยอรตมาก็จะมาบรรยายพวกเราฟังอีก40นาทีนะแล้วก็เป็นการบรรยายที่อาจจะค่อนข้างหนัก นะไม่เหมือนกับไม่มีบรรยากาศที่หลากหลายหลายรสชาติเหมือนอเมื่อช่วงที่มีการเสวนาตอนบ่ายเพราะนั้นเนี่ยนั่นก็หมายความว่าความง่วงอาจจะเกิดกับพวกเราแต่ว่าก็ให้ถือว่าเป็นช่วงเวลาการปฏิบัติขอให้เห็นความง่วงแต่อย่าเป็นผู้ง่วงนะอันนี้ก็ถือว่า ถ้ า, าติดตามสิ่งที่ธามาพูดเนี่ยได้ไม่ค่อยต่อเนื่องนะก็อย่างน้อยได้ฝึกนะดูความง่วงของตัวเองไปนะหัวข้อบรรยายนี่นะเห็นไม่เป็นคำว่าเห็นเนี่ยมันเป็นกิริยาและเป็นสภาวะที่สำคัญมากในพุทธศาสนา เราจะเคยได้ยินคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนะประโยคสั้นๆเนี่ยนะครัว่าเห็นธรรมเนี่ยมันมีความหมายมากทีเดียวนะนะเห็นธรรมก็คือจะเรียกได้ว่าบรรลุถึงอุดมคติของความเป็นพุทธเลยก็ว่าได้มันมีคําคล้ายๆกันอีกเช่นดวงตายเห็นธรรมหรือว่าเห็นสัจธรรมอย่างแจ่มแจ้งนะดวงตายเห็นธรรมก็คือเป็นพระโสดาบัน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 ก็ต้องฝึกให้เห็นความคิดนะเห็นความคิดบางทีท่านใช้คาว่าจะเอความคิดนะจะเอความคิดนะเมื่อเห็นความคิดเนี่ยท่านบอกว่าจิตใจก็จะเปลี่ยนแปลงนะเห็นความคิดยังรวมถึงว่าเห็นอารมณ์นะความคิดกับอารมณ์ไม่เหมือนกันนะอารมณ์ในที่นี้เนี่ยหมายถึง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 นะถ้าเห็นจริงๆเนี่ยนะมันจะเกิดสภาวะคือรู้ซื่อๆอรู้ซื่อๆเมื่อกี้อาจารย์ประมวลก็อธิบายปะก็ว่าเช่นรู้ศักแต่ว่ารู้โดยที่ไม่ปรุงแต่งยกตัวอย่างเช่นเห็นเขากระซิบกระซาบกันก็ควรจะเห็นเท่านั้นไม่ควรจะปรุงแต่งต่อไปว่าเฮ้เขากำลังดินทาเราหรือเปล่าทันทีที่คุณไปปรุงแต่งว่าเขากาลังดินทาเราไหม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 นักปฏิบัติเนี่ยจะไม่ชอบความคิดฟุ้งซ่านพอเข้าไปกดข่มมันมันเป็นปัญหาทันทีความคิดฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญหานะอันนี้ผู้สารนักปฏิบตัติความคิดฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือการที่เราไปผักไสกดข่มมันพอทันทีที่เรามีปฏิกิริยาลบแบบนั้นเนี่ยเราทุกทันทีนักปฏิบัติทําอะไรคุณบอกทํำยังไงดีเนี่ยปฏิบัตินะ่าฟุ้งซ่านเหลือเกินนะ ฟุ้งซางไม่ใช่ปัญหาความรู้สึกลบรู้สึกผลักไสต่อความฟุ้งซ่านนีนแหละคือปัญหาหรือคือตัวกลางของปัญหารู้เสื่อเคือว่าแค่รู้เฉยๆก็เห็นมันเกิดขึ้นนะวางใจเป็นกลางกับมันอันนี้รวมไปถึงความโกรธหรืออารมณ์นะความเศร้ามันเกิดขึ้นก็เพียงศัพ์ว่ารู้เฉยๆไม่ไปผลักไสหนึ่งแล้วก็ไม่ไปคล้อยตามลหลงไหลกับมัน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 วางใจเป็นกลางกับมันมันจะไม่เป็นปัญหารู้สึกๆยังรวมถึงว่าการไม่ปรุงแต่งตัวกูนะเพราะปกติเวลาเรามีเ ว, าเวลาเกิดผัสสะ ข, ขึ้นมาเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นตาเห็นรูปหูดได้ินเสียงเนี่ยนะถ้าสักตะว่าสักตะบ้รู้เนี่ยมันก็จบเท่านั้นแต่ว่ามันก็คนเรานี่มักจะปรุงแต่งว่ามีตัวกูขึ้นมาเป็นผู้เห็นเป็นผู้ได้ยินหรือขณะเนี้ยคุณกำลังปวดอยู่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 ก็เป็นเรื่องของมันแต่ถ้าเข้าไปเป็นเนี่ยคือโจรเข้าไปในน้ำนะอาจจะเข้าไปเพื่อที่จะยึดลากเรือสำราญให้มันมาเป็นของเราหรือว่าพยายามผลักสายหมานเน่าลอยน้าให้มันทางไปไกลๆทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ว่าจะยึดเอาเข้ามาหรือว่าผลักสายออกไปเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นการที่เข้าไปในอารมณ์นั้นนะเป็นยังไงมีความหมายว่า ยึดมันสําคัญหมายว่าเป็นเราเป็นของเราใช่ไหมเห็นแทนที่จะเห็นความโกรธก็เป็นผู้โกรธแทนที่จะเห็นความปวดความเมื่อยก็เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยอันนี้เรียกว่าไปยึดมันสําคัญหมายว่าเป็นเราเป็นของเรามีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยแทนที่จะเห็นมันเฉยๆนะก็ไปยึดว่านี่คือความคิดของเรานะเราเป็นผู้คิดและเมื่อมันเป็นความคิดของเราใช่ไหม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 นะไม่มีการยึดมั่นสำคัญหมายนะมีความกลัวเก็ขึ้นเห็นความโกรดนั้นความโกรธสักพักก็เลือนหายไปปัญหาของผู้คนคือว่าพอมีพอความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยก็ไปยึดว่าความโกรธเป็นฉันเป็นของฉันเป็นกูเป็นของกูไอการยึดนี่แหละที่ทำให้ทุกข เหมือนกับมีกองไฟอยู่ข้างหน้าเนี่ยแทนที่จะเห็นกองไฟเท่าเราเห็นกองไฟอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราทุกข์ไหมเราไม่ทุกข์แต่มันทุกข์เมื่อเราโจรเข้าไปในกลองไฟกองไฟน่าจะเหมือนอาจจะเป็นได้ความโกรธความกปวดเราเห็นความโกรธเนี่ยมันไม่ทุกข์นะประเดี๋ยวความปวดก็เลือนหายไปเพราะไม่มีการไปเติมเชื้อเติมฟืนให้มันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอความปวดเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เห็นเข้าไปเป็นเหมือนก็โจรลงเข้าไปในในกองไฟนั่นก็ร้อนก็ปวด ความโกรธไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือการที่ไปยึดนะไปยึดมันต่างหากหรือเข้าไปเป็นมันนะอาตมายุกตัวอย่างง่ายๆนะก็ไม่รู้ง่ายหรือเปล่านะเคยมีคนถามหลวงปู่ดูนัตุโลว่าหลวงปูมีโกรธไหมเขาเชื่อว่าหลวงปู่ดูเนี่ยเป็นพระอระหันต์แทนที่ท่านจะบอกไม่โกรธท่านตอบว่ามีแต่ไม่เอา เข้าใจไหมมีแต่ไม่เอาอันนี้ท่านว่าท่านเห็นเมื่อมีความเมื่อความกลัเกิดขึ้นท่านเห็นมันแต่เมื่ อ, มอไม่ไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ไปไม่ไปเอานะมันก็ไม่เป็นปัญหามันก็เลือนหายไปเพราะไม่มีการปรุงแต่งนะเพราะฉะนั้นนี่ให้เราเห็นนะให้เราให้เราอยาก ให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างเห็นกับเป็นเนี่ยว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะตัวอย่างหนึ่งที่อาจจะที่บายให้เห็นชัดขึ้นเน่เคยมีนักปฏิบัติคนนี้เป็นนักศึกษาเป็นค น, คนสาวเนี่ยนะมาปฏิบัติที่สุกโตก็ฟังคำบรรยายของหลวงพ่อไปสองสามวันแล้วก็ไปปฏิบัติวันหนึ่งก็มากราบถามหลวงพ่อคาเขียนว่าหลวงพ่อทาไงดี หนูเครียดเหลือเกินหลวงพ่อแทนที่จะตอบท่านถามกลับไปใหม่ถามกลับไปว่าให้ถามใหม่ท่านบอกใหนก้นักสาวนี่ถามใหม่ยังถามไม่ถูกแกก็นั่งคิดสักพักแล้วแกก็พูดขึ้นมาว่าหนูเห็นความเครียดมันเยอะเหลือเกินต่างกันมาระหว่างหนูเครียดกับนเห็นความเครียดอะหนูเครียดก็คือหนูเป็นผู้เครียด นั่นคือเป็นรนูเห็นความเครียดนะนั่นคือเห็นและ้าเห็นเนี่ยมันจะรู้สึกซึ่คือมันไม่เข้าไปเป็นผู้เครียดนะอาจารย์ประสงค์ปริปุนโนท่านเคยเล่าว่าเคยไปบรรยายที่โรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนปถมกำมังบรรยายเสร็จก็เจอเด็กอายุแปดขวบเด็กคนนี้ก็ท่าทางนะฉลาด อาจารย์ประสงค์ก็คุยกับเด็กสนทนากันสักพักก็บอกว่าก็พอใจเขบอกว่าหนูหนูเป็นเด็กฉลาดหนูเป็นเด็กดีหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูเสร็จ แ, แล้วก็หยิบรูก ป, ประคำขึ้นมาจากย่ามเด็กพอเห็นเด็กก็ร้องอูห้หูนะอาจารย์ประสงค์ท่านก็วัยนะท่านถามเลยหนูร้องอู้หูเนี่ยหนูเห็นอะไรเด็กตอบว่ายังไงทราบไหมเด็กบอกหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะ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 คุณเห็นไหมเนี่ยคือรู้ซื่ๆคือนี่แหละคือไม่ต้องทําอะไรกับมันไงนะเนี่ยเด็กเนี่ยแม้กระทั่งความดีใจเด็กก็เห็นมันนะไม่ใช่ว่าเอ๊ะดีใจก็เป็นนะแต่จะเห็นก็ต่อเมื่อทุกข์ใจนะไม่ใช่บางคนบอกเอ๊ะถ้าทุกข์ใจนี่ขอเห็นพอนะแต่ถ้าดีใจขอเป็นได้ไหมมันไม่ได้นะถ้าคุณเป็นผู้ดีใจคุณเจอความเสียใจคุณก็เป็นใช่ไหมเหมื่อคนที่เขาชมเราดีเราก็ดีใจถ้าเขาไม่ชมเราหรือเขาด่าเราเราก็ทุกข์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 นะมันทุกพรยึดไอ้ตัวนั้นเองจิตเห็นเลยนะเห็นสติเนี่ยมันเห็นจิตที่มันไปยึดเอาเรื่องที่ผ่านไปแล้วคือเรื่องผู้ชายคนนั้นเนี่ยคุณนคิดแต่เรื่องที่ผ่านไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางพอเห็นพอเห็นความยึดติดนะที่ผูกพันกับเรื่องน่ดีเนี่ยพอเห็นนะรู้มันวางเลย แค่รู้เท่านั้นนะมันวางเลยพอวางเจ็ดเนี่ยพอวางเสร็จจิตมันโปร่งร่องเบาสบายเลยเธอไม่ได้กดข่มความคิดเกี่ยวกับอดีตสามีเพียงแต่รู้ทันนะว่าใจไปเผลอแบกนะพอรู้ทันเนี่ยมันจะวางไปเองนะราเนี่ยความไอาการที่เห็นเนี่ยนะมันช่วยทำให้ใจปโปร่งเบาสบายได้ผู้ยังคือทาให้ใจใสงบนะ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 กายและใจเนี่ยมันแสดงความจริงออกมาให้ให้ให้เราตลอดเวลาแต่เพราะเราไม่เห็นเพราะเราเข้าไปเป็นนะแต่เมื่อก็ตามที่เราเห็นนะเราเห็นเห็นในที่คือมีสติเห็นนะความจริงของกายและใจมันก็จะปรากฏให้เห็นซ้าแล้วซ้าเล่าจนกระทั่งเข้าใจความจริงนะของรูปของนามของกายและใจ ผู้ปฏิบัหลายคนก็จะพบว่าเออเห็นพอปฏิบัติตรงจุดนึงเกิดพัฒนาเกิดปัญญาขึ้นมาก็าใช้ว่าเห็นรูปนามเห็นรูปนามหมายความอะไรหมายคำ ว, ว่าเห็นรูปรับนามเนี่ยมันแยกกันแต่ก่อนไม่เห็นนะเวลาเวลาเดินเนี่ยก็รู้สึกแต่ว่าเราเดินเวลาคิดก็รู้สึกว่าเราคิดหรือสําคัญบ้างหมายว่าเราคิดเวลาโกรธก็สำคัญบ้าหมายว่าเราโกรธมันมีตัวเราตลอดเวลาเป็นผู้เดินเป็นผู้คิดเป็นผู้โกรธ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 ไม่ใช่เป็นก้อนเป็นดุ้นนะไอการเจริญสติเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้ถลุงนะไอไอตัวเราที่คิด่าเป็นดุ้นเป็นก้อนเนี่ยให้มันเห็นเป็นรูปเป็นนามนะและตรงนั้นเนี่ยก็จะรู้ว่ามันแยกกันนะและในเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เห็นเลยนะว่ามันมีตัวกูนะ อยู่เบื้องหลังมันมีแต่รูปกับนามีแต่กายกับใจและถ้าดูต่อไปก็จะเห็นว่าใจเนี่ยนะมันก็แยกออกมาเป็นส่วนๆเหมือนกันนะจิตก็อันหนึ่งความคิดก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งอารมณ์ก็อันหนึ่งภาษาภาษาพระเรียกว่าเจตสิกนะจิตกับเจตสิกนี่คนละอันกันนะเวทนาก็อันหนึ่งกายก็อันหนึ่งมันจะเห็นเลยว่ามันจะเห็นเลยขันห้าเนี่ยมันแยกเป็นส่วนๆ นะกายก็อันหนึง่ง เ, เวทนาก็อันหนึง่งอย่างคุณตอนนี้เนี่ยถ้าคุณปวดเมื่อยเนี่ยถ้าคุณดูด้วยสติคุณก็จะเห็นนะว่ากายร่างกายก็อันนึงความปวดก็อันหนึง่งมันไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่มันอิงอาศัยกันหรือมันเกิดมันความปวดมันเกิดขึ้นที่ททกายความโกรธเกิดขึ้นที่ใจแต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวเดียวกับใจหรือว่าจิตนะมันแยกกันและตรงนี้เนี่ยที่เขาเรียกว่ามันที่ทางบางคนก็เรียกมันเห็นการแยกขัน แล้วตรงนี้เนี่ยมันทําให้ไอ้ความยึดมั่นในตัวกูเนี่ยหรือความสําคัญเมื่อหมายว่ามีตัวกูเนี่ยมันจืดจางมันบรรเทาเบ า, บาบางลงตรงนี้แหละที่เรียกว่าเกิดปัญญาและนอกจากเห็นความจริงของกายและใจในลักษณะที่ว่ามาแล้วเนี่ยมันก็ยังเห็นต่อไปนะว่าเห็นลักษณะของกายและใจเห็นความจริงว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะตรงนี้แหละนะที่ ทำให้เกิดปัญญานะหลวงพ่ อ, เ, อเขียนท่านท่านพูดว่า น, นี่นะเมื่อเราเมื่อเราเมื่อเราเจริญสติเนี่ยแล้วก็เห็นบ่อยบ่อยรู้ซืก อ, อเนี่ยในสุดมันก็จะเห็นไตรลักษ์เห็นไตรลักษณ์ทั้งพูดว่านี่เห็นไตรลักษ์อย่างเดียวเนี่ยมันก็ผ่านได้ตลอดนะแล้วมันไปสู่ความสิ้นทุกได้ เพราะว่าเมื่อมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์เนี่ยนะมันก็จะทําให้ปล่อยวางนะไม่ยึดมั่นถือมั่นและเมื่อไม่ยึดไม่ไม่จะมาถือมั่นเนี่ยนะก็เรียกว่าคนทุกได้ยังแกยังเจ็บยังต้องสูญเสียยังต้องเจอความพัดพรากแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดกับกายเกิดขึ้นกับวัตถุสิ่งของเกิดขึ้นกับผู้คนแต่ไม่ทําให้ใจเป็นทุกข์นะ เพราะว่าจิตเนี่ยไม่ได้ยึดมัน่นไม่ได้เกาะเกี่ยวว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะ น, นั้นเนี่ยสรุปคือว่าเห็นเนี่ยนะมันจะเห็นได้สองอย่างนะเห็นด้วยสตินะเห็นด้วยสติที่เมื่อกี้ต่ายกพุทธภาษิตว่าผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนัอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงันคอนแคลนขอควรพอ่อควรอาการชนนั้นไว้เนี่ย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 เห็นด้วยปัญญานี่ก็อย่างที่ธรรมายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะตอนต้นว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเหนื่ยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตกลงนั่นแหละเป็นทา ง, างพระนิพพานเป็นธรรมหมดจดก็คือเมื่อเห็นด้วยปัญญาเนี่ยนะมันก็จะเข้าไปสู่กระแสความนิพพานนะหรือว่าการพ้นทุกข์ได้ดงนั้นให้เข้าใจนะเวลาเวลาครูบาอาจารย์พูดคาว่าเห็นเนี่ย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 แต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาและเป็นปัญญาที่แจ่มแจ้งในไตลักษณ์เนี่ยนะมันก็จะเป็นจิตก็เป็นอิสระอิสระจริงแล้วก็หมดทุกข์อย่างสิ้นเชิงนะเพราะว่ากิเลสไม่มีที่ตั้งนะตัณหาไม่มีที่ตั้งนะนั้นเห็นด้วยสติทำให้ทำใ ห, ทำให้พ้นทุกข์เป็นคราวๆแต่ว่าเห็นด้วยปัญญาเนี่ยสามารถทําให้พ้นทุกข์ได้าถาวรอาจารย์ประมวลได้สรุปไว้อย่างดีเลยนะเมื่อกี้นี่ยว่ามันมีการมันมีการการพ้นทุกข์มันมีหลอกสองแบบนะ พทุกเล็กๆน้อยๆนะกับพ้นทุกในสังสารวัฏนะพนทุกเล็กๆน้อยๆอาจมายถึงการพทุกเป็นคราวไปพวกเราเนี่ยนะก็ยังสามารถเชียบพ้นทุกเป็นคราวไปได้เมื่อเรามันที่จะเห็นมันนะไปมาอินทรีย์เรายังไม่แก่กันเราก็เห็นด้วยสตินะแต่เมื่อเราปฏิบัติไปเราก็จะเห็นด้วยปัญญาเพราะนั้นเนี่ยถ้าพูดงี้ก็จะเข้าใจนะเมื่อหลวงพ่อคําเขียนท่านใช้คำท่านพูด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 ที่ทําให้หมดจากความพ้นจากความทุกเวลาพ้นพ้นทุกจากความพิการเนี่ยก็ตอนที่เจริญสติพลิกมือไปพลิกมือมานะแล้วก็เห็นเลยนะว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยคือกายทุกแต่ว่าใจไม่ได้ทุกด้วยไอ้ที่พิการเนี่ยคือกายพิการแต่ใจไม่ได้พิการด้วยนะ дела. เมื่อเห็นว่ากายพิการแต่ไม่ใช่กูพิการเนี่ยจิตมันก็หลาจากความทุกเลย แต่ยังพิการอยู่นะแต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้วะอันนี้เรียกว่าเห็นทุกตัวแรกเนี่ยเขาว่าเห็นทุกนะเห็นทุกก็พ้นทุกเนี่ยทุกตัวตัวแรกเนี่ยอาจจะหมายถึงทุกขเวทนาก็พ้นทุกนะพ้นทุกแบบเนี้อาจจะเป็นทุกอาจจะเป็นการพ้นทุกเป็นคราวๆก็ได้นะเช่นเห็นความปวดความเมื่อยนะแล้วก็จิตก็ไม่ไปยึดมันนะกายทุกแต่ กายปวดใจไม่ปวดนะอันนี้ก็เรียกว่าพ้นทุกข์ในความหมายหนึง่งในความหมายที่สองเนี่ยพ้นทุกข์เห็นทุกข์แต่ไม่พ้นทุกข์เนี่ยทุกตัวแรกยังหมายถึงการที่เห็นนะทุกในไตลักษณ์นะเห็นทุกในไตลักษณ์ทุกในไตลักษณ์คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตา เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันล้วนแล้วแต่ทุกข์ทั้งนั้นก็คือว่ามันอยู่มันถูกบีบคั้นด้วยเหตุปัจจัยต่างๆถูกบีบคั้นด้วยอํนนานาจของความเกิดและความดับนะอันนี้เรียกว่าทุกข์ในตายรักซึ่งเกิดขึ้นได้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ได้เกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นความคิดหรือความสุขเสาอ่าก้อนหินต้นไม้เนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ในความหมายที่ว่าทุกข์ในไตายรัก นะเมื่อเห็นทุกในตายลักษณ์ก็จะพ้นทุกทุกตัวที่สองเนี่ยหมายถึงทุกในอริสัตยนะ์สี่แล้วทุกในอริสัต4นะทุกในอริสัต4เนี่ยเราเรียกว่าทุกขสัตยนะ์เช่นความโศความร่ำไรลําพันธ์ความทุกข์ความโทมนัสนะไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นทุกในอริยสัตย์ซึ่งเราสามารถจะพ้นจากมันได้เมื่อเราเห็นแจมแจ้งว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะ ทุกในที่นี้เนี่ยคือทุกในไตายรักคือคําว่าคําว่าทุกในพุทศ า, าสนาเนี่ยบางทีก็ต้องแย่งนะว่าเวลาท่านพูดถึงทุกเนี่ยท่านพูดถึงทุกในความหมายไหนหมายถึงทุกคเวทนาหมายถึงทุกในริ ษ, ษัทสี่หมายถึงทุกในไตยลยรักหรือว่าบางเขียนเนี่ยสุดท้ายปลายทางเนี่ยจะมานะท่านต้องการจะบอกว่าเมื่อเราเห็นเมื่อเราเห็นว่าสังขารั้องมาเป็นทุก์เนี่ยอย่างแจ่มแจ้งจิตก็จะพ้นทุกนะ ยังแก่ยังเจ็บยังป่วยและยังต้องตายอย่างหลวงพ่อแต่ว่าใจท่านไม่ทุกขละนะเพราะว่าท่านเห็นว่าสังขารต้องเป็นทุกข์และเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เวลาใครที่ศึกษาเรื่องไอสัตสีก็จะตระหนักดีเลยนะว่าเวลาท่านพูดเรื่องทุกข์ทุกข์ทุกข์กเนี่ยนะท่านจะบอกต่อไปว่าทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้กําหนดรู้เนี่ย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 ทุกเนี่ยสามารถจะสอนทําให้กับเราได้ทุกเนี่ยเป็นประตูไปสู่นิโรธนะผู้จ้าเนี่ยจึงให้ทุกเนี่ยทุกขสัตว์เนี่ยเป็นข้อแรกในอริสตีเพราะว่าถ้าผ่านตรงนี้มาได้เนี่ยก็จะเข้าใจเรื่องสมุทยัยแล้วก็จะเข้าถึงนิโรธได้ด้วยการเจริญให้องค์มรคให้มากขึ้นทุกมีประโยชน์แต่ก็จะมีประโยชน์ได้ในคุณต้องเห็นทุกไม่ใช่เป็นทุกข ในชาวพู้เราเนี่ยอย่าไปกลัวทุกนะเรารู้วิธีที่จะเห็นทุกและเราก็จะสามารถใช้ทุกเป็นประโยชน์ได้นะเห็นทุกท ก, ก็จะถึงธรรมเราเคยได้ยินมาที่ครูบาอาจารย์บอกว่าทุกไม่ได้มีไว้เป็นทุกมีไว้เห็นนะเะฉะนั้นเวลาที่คุณปวดคุณเมื่อยเนี่ยนะก็อย่าไปตีโพยตีพายโอดโอยนะลองมองว่านี่คือโอกาสที่เราจะได้เห็นทุก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 นะเห็นเวทนาคือว่าเมื่อมีความปวดเกิดขึ้นเนี่ยนะก็ไม่เป็นผู้ปวดนะไม่เป็นผู้สวยเวทนาเห็นเวทนาเห็นว่าปวดมันเกิดขึ้นหลวงพ่อมเคีย น, ท, นท่านสอนพวกเราได้เยอะเลยนะในช่วงที่เวลาที่ท่านปวดเนี่ยเวลาที่ท่านเจ็บป่วยเนี่ยนะตอนที่ท่านป่วยครั้งแรกเนี่ยที่ที่เป็นมะเร็งมะเร็งอตอนน้ำเหลืองเนี่ยนะท่ามีทุกขเวทนามากลูกศิลุกศิลฐาก็เห็นท่านแล้วก็ร้องไห้ นะเสียใจนะแต่หลวงพ่อนีนท่านสงบนะตอนหลังท่านก็พอออกมาท่านก็บอกลูกศิษย์นะว่าความปวดเนี่ยนะมันไม่ลงโทษเรามันไม่เท่าไหรหรอกแต่ถ้าเป็นผู้ปวดเสด็จมาลงโทษเรานะความปวดเนี่ยมันมีเอาไว้เห็นเอาไวด้ดนะูเคยมีตอนที่ท่านตอนที่ท่านปวดนี่นะ ตอนที่ท่านป่วยเนี่ยหมอก็เคยมากดนะที่ท้องท่านเพราะว่าท่านหมอได้พบว่าเนื้อเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันสงสัยกระจายไปที่ตับอ่อนแล้วท่านก็ปวดมากหมอถามหลวงพ่อปวดไหมหลวงพ่อบอกปวดเต็มร้อยเลยปวดเกินร้อยนะแล้วหมอก็เลยถามว่าแล้วทําไมหลวงพ่อไม่ร้องหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยปวดแล้วจะร้องทําไมให้มันขาดทุนใช่ไหม ปวดเนี่ยมันเป็นเรื่องของกายนะแต่ถ้าร้องเนี่ยมันเป็นเรื่องของความทุกข์ทรมานคุณหมอสุมาลีพูดดีนะปวดเนี่ยมันเป็นทุกขเวทนานะแต่ถ้าอทุกขเวทนาเนี่ยเป็นเรื่องของตายทุกทรมานเป็นเรื่องของจิตนะทุกขเวทนาเนี่ยเป็นความจริงแต่ว่าทุกทุกทรมานเนี่ยเป็นเรื่องการปรุงแต่งปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งว่ามีกูเป็นผู้ปวดนะ แล้หลวงพ่อท่านท่านบอกเลยนะท่านสอนไปเลยนะว่าให้ตระหนักว่าความปวดเนะี่ยมันเป็นเพียงแค่อาการเอาไว้ดูไม่ใช่เอาไว้เป็นแล้วท่านก็ทําให้เราดูนะท่านไม่ใช่แค่พูดไม่ว่าจะเป็นการปวดอาการป่วยขั้งแรกนะที่ที่เป็นมะเร็งตอมเริมเหลืองปีสี่เก้าหรือว่าปวดขั้งที่สองนะซึ่งเป็นการป่วยขั้งสุดท้ายของท่านปีที่แล้วเนี่ยท่านก็แสดงให้เห็นเลยนะว่าตลอดเวลาเนี่ยท่านเป็น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 เราก็สามารถจะเห็นได้ว่าสามารถจะรู้ว่าเวลาท่านพูดว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยท่านหมายความว่ายางไรนะในบันทึกยาภาพของท่านเนี่ยก็มีหลายตอนที่ท่านขยายความนะว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรคือว่าไม่เข้าไปเป็นอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปและนามไม่เข้าไปเป็นอะไรกับอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปและนามอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจก็ได้แก่อะไรบ้างเช่นความปวดนะ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 อย่งางไรก็ตามเนี่ยต่อมาคิดว่าคา Blaze ว่ า, าไม่เป็นอะไรกับเราเนี่ยยังมีอีกความหมายหนึ่งนะซึ่งท่ added, านอาจจะพูดเป็นในๆนะนอกจากความหมายที่ว่าไม่ไปยึดมั่นไม่ไปยึดอาการที่เกิดขึ้นกับการรับใจว่าเป็นเราเป็นของเราหรือนอกจากหมายถึงการที่ไม่ทุกหรือว่าถึงที่สุดแห่งทุกข์แล band, ้วเนี <sky> ่ยยังมีความหมายอีกแง่นึงคือการที่ท่านมองว่าหมายถึงการที่ไม่สําคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่ ไม่สำคัญมติหมายกับภาวะใดๆว่าฉันเป็นเจ้าของภาวะนั้นนะพูดอย่างภาษาธรรมคือว่าไม่มีภพไม่มีชาติความสำคัญมติหมายเป็นนั่นเป็นนี่เนี่นะไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนดีนะอันนี้เนี่ยมันสามารถจะทำให้เกิดทุกข์ได้เป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นนะ เคยมีคนถามพระเจ้าว่าเห็นพระองค์พระองค์เนี่ยเดินอย่างสงบมีสง่าถามว่าท่านเป็นเทวดาหรือพระเจ้าตอบว่าเปล่าไม่ได้เป็นเทวดาท่านเป็นคนทันหรือคนทันนี่ก็เป็นเทวดาชนิดนึงนะพระเจ้าก็ปฏิเสธท่านเป็นยักษ์หรือพระเจ้าก็ปฏิเสธเทวดาท้าพรามก็เลยถามไปว่าท่านเป็นมนุษย์ใช่ไหมพระเจ้าก็ปฏิเสธ พระรามก็เลยงงตกลงผู้เจ้าเป็นอะไรผู้เจ้าไม่เป็นอะไรเลยแล้วอธิพร่ออธิบายขีแยความว่ากิเลสที่ทำให้พระองค์เป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยมันไม่มีแล้วนะแต่ถ้าจะเรียกพระองค์ก็เรียกพระองค์ว่าพุทธะนะคือพู้เจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยไม่ได้สำคัญมากหมายพระองค์เป็นอะไรในสายตาของลูกศิษย์ท่านเป็นพรอบลวศาสดาในสายตาชาวพุทธท่านเป็นผู้เจ้าในสายตาของญาต ถ้าอาจจะเป็น อ, อดีตเจ้าชายสิทธัตถะแต่จริงแล้วพระองค์ไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่ากิเลส ท, ที่ทําให้ยึดมันสําคัญหมายเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยไม่มีแล้วก็คือว่าไม่มีพ่อไม่มีชาตินะเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นเป็นพ่อก็ทุกข์นะเป็นแม่ก็ทุกข์นะเวลาลูกเวลาสอนเวลาแนะนําลูกลูกไม่ฟังนะลูกเถียง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 สำคัญมาว่าเป็นพระอาจารย์นี่ก็ทุกนะมีคนเรียกหลวงพี่เนี่ยโกรธเลยนะทำไมไม่เรียกลัาพระอาจารย์ใช่ไหมในความสังคัญแปลว่าเป็นนั่นเป็นนี่แม้ถ้าเป็นพระอาจารย์นะเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเป็นพระเนี่ยมันยังทุกเลยนะนักปาชญแล้วการเป็นผู้แพ้การเป็นคนไม่ดีสําคัญมาว่าเป็นคนดีนี่ก็ทุกนะเคยมีวอนที่พหลวงพ่อชาเนี่ยไป ไปแสดงธรรมที่อเมริกัอังกฤษนะก็มีฝรั่งคนนึงนะแกสนใจพุทธศาสนาหลายแนวนะทั้งเถรวาททั้งมหายานแล้วก็ถามถามหลวงปู่ชาว่าจะภาวจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อเป็นพระอารหรันต์ดีหรือว่าเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์ดีนะอาจารย์ชาตอบว่าอย่างไรนะบอกไม่ต้องเป็นอะไรเลยนะไม่ต้องเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องเป็นพาาระโ พ, พธิสัตว์แม้แต่ไม่ต้องเป็นผู้เจ้าเพราะเป็นอะไรก็ทุกทั้งนั้น นะเพราะว่าเมื่อไอความทรงจำมาว่าเป็นเนี่ยนะมันทำด้วยอุปทานและอุปทานเนี่ยมันก็จะเจือด้วยกิเลสนะมีตัวกูของกูตลอดเวลานั้นที่หลวงพ่อคำเขียนบอกว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยความหมายเนื้อคือว่าคุณไม่ต้องเป็นอะไรเลยนะไม่ต้องเป็นแม้กระทั่งคนดีเพราะเป็นคนดีเนี่ยนะเวลาเจอคนไม่ดีก็คิดเห็นเป็นคนละพวกนะแล้วคนที่ยึด ม, มาทรงคำว่าฉันเป็นคนดีเนี่ยเจอคนไม่ดีนี่คนละพวกเลยนะ แม้แต่คนยุคมาสำคัญว่าฉันเป็นคนศีลหเนี่ยถือศีลห้าเนี่ยเจอคนไม่มีศีลนี่รู้สึกเป็นคนหลบพุกมันเกิดความรู้สึกเป็นลบขึ้นมาทันทีนะอันนี้คือกิกเลสอย่างหนึ่งที่เกิดจากอุปาทานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะก็กล่าวพอสมควรแล้วนะแล้วก็เกิดเวลาที่เขาให้ไว้แล้วแลก็ให้สีสนาทีนี่ก็สีิห้านาทีแล้วก็ขอยุติเพียงเท่านี้นะฮะก็ขออนุมโมทนา